สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทิยพิบาลนะครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์เราอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่21ข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่สิบสี่ครับหนึ่งพงกษัตริย์บทที่21ข้อที่1ถึงข้อที่14ครับโปรดฟังพรจนะของพระเจ้าต่อมามีเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับสวนอุ่นอของนาโบดชาวอิสราเอล สวนองุ่นนี้อยู่ในอิสราเอลใกล้กับวังของกษัตริย์อาหับแห่งสมาเรียอาหับตรัสกับนาโบดว่าจงยกสวนอ่งุ่นของเจ้าให้เราใช้เป็นสวนผักเพราะอยู่ใกล้วังเราเราจะขอแลกด้วยสวนอ่งุ่นที่ดียิ่งกว่านี้หรือถ้าเจ้าอยากได้เป็นเงินเราก็จะจ่ายให้เต็มราคาแต่นาโบดทูลว่า องค์พู้เห็นเจ้าทรงห้ามไม่ให้ข้าพระองค์ยกบรดกตกทอดจากบรรพบรุษถวายแด่ฝาพระบาทดังนั้นอาหับจึงเสด็จกลับวังด้วยความกริ้วและขุนเคืองพระไทยที่นาโบดชาวอิสราเอลทูลว่าข้าพระบาทจะไม่ถวายบรดกของบรรพบรุษให้ฝาพระบาทอาหับทรงทอดพระกายลงบนแท่นและหันพระพักเข้าข้างฝาไม่ยอมสวย พระนางเยเซเบลมาเหสีของพระองค์เข้ามาทูลถามว่าทําไมฝาพะบาทจึงขุนเคืองพระทัยอย่างนี้เหตุใดไม่ยอมสวยอาหับตรัสตอบว่าเพราะเราได้กล่าวกับนาโบอดคนยิสเรลว่าจงขายสวนองุ่นของเจ้าให้เราหรือถ้าเจ้าพอใจเราจะแลกสวนองุ่นของเจ้ากับอีกที่หนึ่งแต่เขากล่าวว่าข้าพะบาทจะไม่ถวายสวนองุ่นของข้าพะบาทแก่ฝาพระบาทมาเหสีเยเซเบลตรัสว่า ฟาพระบาททรงเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือจเจริขึ้นมาสวยเถิดอย่า ก, กังวลพระไทยในเรื่องนั้นเลยหม่อมฉันจะจัดการเอาสวนองุ่นของนาโบดแห่งอิสราเอลมาถวายแล้วพระนางจึงร่างสารลงพระนามอาหับประทับตาของพระองค์แล้วส่งไปยังผู้อุโสและขุนนางที่อาศัยอยู่ในเมืองเดียวกับนาโบดสารนั้นมีใจความว่าจงประกาศวันถืออดอาหาร แล้วให้ดาโบสถ์นั่งในที่สูงเด่นท่ามกลางประชาชนหาอันธพาลสองคนมานั่งตรงข้ามและปรักปํานาโบสว่าเขาแช่งด่าพระเจ้าและกษัตริย์และเอาตัวนาโบสออกไปแล้วเอาหินขว้างให้ตายบรรดาผู้โอโสและขุนนางที่อาศัยอยู่ในเมืองเดียวกับนาโบสจึงทําตามที่เยซเบลตรัสสั่งมาในสารนั้นพวกเขาประกาศให้ถืออดอาหาร และให้นาโบดนั่งอยู่ในที่โดดเด่นท่ามกลางที่ประชุมจากนั้นมีอันธพานสองคนมานั่งตรงกงันข้ามและกล่าวหานาโบดต่อหน้าประชาชนว่านาโบดได้แช่งดาพระเจ้าและแช่งดากษัตริย์พวกเขาจึงลากตัวนาโบดออกไปนอกเมืองเอาหินขว้างเขาจนตายแล้วพวกเขาก็ส่งรายงานไปทูลพระนางเยเซเบลว่านาโบดถูกหิน กว้างตายแล้วพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะใช้หัวข้อที่เรียกว่าปล้นฆ่าพี่น้องครับพฤติกรรมแบบนี้ครับเป็นพฤติกรรมที่ชั่วร้ายเลวทรามต่าช้ามากครับเพราะในช่วงเวลาแห่งสันติภาพหลังจากสงครามที่อัลเฟกพี่น้องคงจำได้นะครับสงครามที่อัลเฟกนั้นเวลาก็ผ่านไปในบทที่20ก็มาเข้าบทที่21็ครับ ซึ่งเป็นระยะแห่งความสงบสุขในเป็นตัวอย่างหนึ่งครับที่แสดงถึงความเวลว้ายความอาฆาตแค้นความโลภของอาหับและนางเยเซเบลจากเรื่องนี้ทําให้เราเข้าใจว่าสาเหตุที่พระเจ้าจัดการกับคนสองคนนี้คืออาหับและเยเซเบลนั้นเราจะเข้าใจพระเจ้าได้ดีขึ้นในขณะเดียกันครับ ก็เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงความสัตด์ซื้อของพระเจ้าต่อคำเผยพรจนะของพระเจ้าที่ตัดผ่านผู้รับใช้ของพระองค์คือเอรียนั่นเองพี่น้องครับเราจะมาทำความรู้จักนาโบทนาโบทนั้นเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้วังพูง่ายกระชิดกับวังของกษัตริย์อาหับในอิสราเอลเป็นที่เข้าใจกันว่ามีแผ่นดินหรือมีที่ดินติดกันครับเป็นเนเบอร์ฮูดกษัตริย์อาหับเสนอเพราะอยากได้ ที่ดินนี้เป็นของตัวเองก็เลยเสนอซื้อที่ดินที่ใช้ปลูกสวนองุ่นของนาโบทซึ่งเขาได้รับสืบทอดมาเป็นมรดกจากบรรพบุรุษของเขาซึ่งขายไม่ได้ครับยกให้ไม่ได้เพราะว่านั่นเป็นบทบัญญัติของโมเสสไม่สามารถที่จะขายที่ที่เราได้รับเป็นมรดกให้กับคนอื่นเพราะว่าเราจะต้องเก็บไว้เป็นมรดกของลูกหลานต่อไปแต่และเผ่าแต่และครอบครัวจึงจะมี ที่ดินเป็นของตัวเองและไม่สูญหายไปเพราะฉะนั้นซื้อขายกันไม่ได้เป็นที่เข้าใจครับว่านาโบดนั้นมีที่ดินอยู่ติดกับวังของอาหับอาหับก็เลยเสนอเสนอให้เป็นเงินสดหรือแลกกับสวนองุันที่ดีกว่าได้แล้วแต่ความต้องการของนาโบดแต่นาโบดนั้นเป็นชาวอิสราเอลที่มีความยำเกรงพระเจ้าครับเขารู้ว่าองค์พระ้เนเจ้านั้นไม่ให้ขาย เขาก็เลยบอกครับในข้อที่3พระกัมภีรเขียนไหมครับว่าแต่นาโบททูลว่าองค์ผู้นเจ้าทรงห้ามไม่ให้ข้าพระองค์ยกบรรดกตกทอดจากบรรพรุษถวายแด่ฝ่าพระบาทนาโบทนั่นเป็นคนที่รักพระเจ้านาโบทเป็นคนที่รู้จักธรรมบัญญัติและนาโบทเชื่อฟังในฐานะที่เป็นอิสราเอลที่ดีมีความยำเกรงพระเจ้าเมื่อเข้าใจว่าอาหับต้องการซื้อสวนอุนนี้อย่างถาวร ท่านจึงปฏิเสธและไม่ยอมขายสวนองุ่นของตนอาหับนั้นก็กลับเข้าวังด้วยความขุ่นเคืองนอนไม่หลับพลิกไปพลิกมาหันหน้าเข้าหากําแพงเป็นที่สงสัยของเยเซเบลพระมเหสีจอมชั่วร้ายอาหับนั้นนอนไม่หลับโกรธและไม่ยอมแม้แต่จะรับประทานอาหารเลยครับภรรยาจอมชั่ว จึงถามว่าทำไมทําตัวแปลกๆเช่นนั้นอาหับก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังว่านาโบดนั้นไม่ยอมขายสวนเงินุลมันกําเริบเสบสารขอซื้อมันไม่ขายพี่น้องครับเยเซเบลจอมชั่วก็เลยคิดแผนเพราะนางเติบโตมาในวัฒนธรรมที่ไม่มีการให้เกียรติหรือไม่เคารพสิทธิส่วนบุคคลเหมือนอย่างที่มีบทบัญญัติไว ให้กับชาวอิสราเอลจึงเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อเป็นไปนไม่ได้สำหรับไม่เหสีหรือกษัตริย์ที่ว่าทำไมกษัตริย์จึงไม่ได้ทาที่ตามที่ใจตัวเองต้องการนางคิดว่ากษัตริย์นั้นย่อมอยากจะได้ต้องให้ได้ดังใจอาหับไม่รู้จะทำยังไงดีแต่เยซเซเบลเสนอตัวครับว่าจะจัดให้และจัดไป นางจะเป็นคนลงมือทำเองข้อ8ถึงข้อที่บได้บอกว่าเยสเบลนั้นรู้จักการใช้พระบัญญัติของอิสราเอลในการหาผลประโยชน์ใส่ตัวจึงให้เขียนจดหมายไปยังผู้นำที่อยู่ในตำบล น, นาโบดอยู่ขอให้เขาจัดการประกาศให้มีการถืออดอาหารแสดงว่าสร้างสถานการ์ครับว่าจะมีเพศภัยได้เราจะต้องอดอาหารกันแล้วก็รอบปลูกพยานเท็จสองคนหาคนพานสองคนมากล่าวโทษนาโบดตามหลักการพระกัมภี ทำบัญญัตินะว่าจะต้องมีคนอย่างน้อย2คนกล่าวหาและเห็นด้วยอย่างน้อยครับมีคนเสนอมีคนสนองมีคนเป็นพยานครบ2คนเมื่อไหร่ครับจัดการได้ทันทีนั่นคือวิธีการทางกฎหมายของพวกยิวในสมัยนั้นเยเซเบลก็ให้คนพาน2คนกล่าวโทษนาโบดว่านาโบดนั้นทำบาปเพราะว่าแช่งด่าพระเจ้ามีโทษถึงตายครับในที่สุดนาโบดก็ถูก หินคว่างตายตามกฎหมายของอิสราเอลใครที่สาบแช่งพระเจ้าจะต้องมีโทษถึงตายละวินิตีบทที 16, ่24ข้อ16ชัดพูดชัดเจนครับแต่การสาบแช่งกษัตริย์อาหับนั้นไม่มีผลอย่างนั้นเพราะยันเยเซเบลรู้เรื่องนี้ดีก็เลยจัดให้ครับให้ระบุว่านาโบดนั้นได้แช่งด่าพระเจ้าลบหลู่พระเจ้า พี่น้องครับเราจะเห็นปร้นฆ่าครับเราจะเห็นถึงความชั่วร้ายของเยเซเบลก็นึกถึงในสมัยที่ดาวิดนั้นก็ปร้นฆ่าเหมือนกันครับก็คืออยากจะได้นางบัดเชบามาเป็นภรรยาของตัวเองก็เลยฆ่าอูริอาใชนี่คือพฤติกรรมที่ไม่ต่างกันมากพี่น้องครับพฤติกรรมในสมัยนี้ก็ จ, จะเบาลงครับแต่แยบยนต์ขึ้นในฐานะที่ หลายหลยคนนะครับได้อาจจะมีประสบการณ์ก็คือเราคงจะเห็นคนที่อยากจะได้บางสิ่งบางอย่างเช่นตําแหน่งก็เลยเลื่อยขาเก้าอี้ซะนั่นก็ไม่ต่างจากปล้นค่านะครับเลื่อยขาเก้าอี้เจ้านายนั่นไม่ต่างจากปล้นค่าคือทําลายเจ้านายเสียเพื่อตัวเองจะได้เก้าอี้มันนั่งแทนพี่น้องครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผิดจริยธรรมครับผิดต่อกฎเกณฑ์กฎหมายของพระเจ้า แม้ว่าเราจะไม่ได้ปล้นคนจริงๆไม่ได้ฆ่าคนจริงๆแต่ในเชิงเปรียบเทียบนั้นเราก็ไม่ต่างอะไรจากพวกนี้นั่นคือสิ่งที่เป็นบทเรียนในชาวันนี้ครับพี่น้องเราจะต้องเป็นผู้ที่ได้ตำแหน่งได้ความมั่งคั่งมาได้เกียรติยศชื่อเสียงมาด้วยความซื่อสัตย์ไม่ใช่ไปเอาเปรียบคนอื่นไม่ใช่ไปทำร้ายคนอื่น ทำลายคนอื่นเพื่อที่จะแย่งสิ่งที่คนอื่นมีมาเป็นของตนนั่นคือบทเรียนในเช้าวันนี้ครับขอพระเจ้าช่วยเราเพื่อที่เราจะสำรวจชีวิตของเราในรายละเอียดต่างๆว่าเราเคยมีพฤติกรรมเช่นนี้หรือเปล่าขอพระเจ้ายกโทษให้เราด้วยอาเมน